ในอังคุตรนิกายติกนิบาศโซนคสูตนะเพราะอ่านข้อความบางข้อความนะภิกษุทั้งหลายบาปกรรมแม้ประมาณน้อยที่บุคคลลางคนทําแล้วบาปกรรมนั้นย่อมนำเขาไปนรกได้บางคนเนี่ยทำกรรมชั่วนิดเดียวนะไปนรกได้บาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนี้ ลางคนทําแล้วกรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลยการทํากรรมเล็กน้อยอย่างนี้เนี่ยบางคนทําแล้วลงนรกได้บางคนทําแล้วเป็นทิฏฐธรรมก็หมายความว่าในชาตินั้นอะเจ้ากันไปหรือว่ามันหมดไปได้รับเล็กเล็น้อยในชาตินั้นไปเนี่ยนะอันนี้เนี่ยมีเหตุผลยังไงบ้างครับคือคาหลังนะว่ากรรมอ่าประโยคหลังอีกครั้งนึ่งพวกกันประโยคหลังนะครับ บาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนี้ลางคนทำแล้วกรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลยคือที่ใช้คำว่าทิฏฐธรรมนั้นผู้ที่จะรับกรรมที่เป็นทิฏฐธรรมอย่างเดียวคือใครนะต้องนึกนะว่ากรรมให้ผลแบ่งเป็นสามตอนใช่ไหมหนึ่งทิฏฐธรมเวทนิยกรรมกรรมที่ให้ผลในชาตินี้สองอุปชาเวทนิยกรรมกรรมที่ให้ผลในชาติถัดไป สอปราปรยเวทนิยกรรมกรรมที่ให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปนะถ้าให้ผลก็แล้วกันไปถ้าไม่ให้ผลก็ถ้ายังไม่นิพพานก็ได้ปัจจัยเมื่อไหร่ก็ให้ผลทันทีทีนี้ในกรรมที่เป็นให้ผลเฉพาะทิฏฐธรรมนั้นก็คือพระอาหารหันต์ประเภทเดียวท่านจะรับผลกรรมเฉพาะทิฏฐธรรมะเวทนิยกรรมเดี๋ยววันต่อๆไปจะเอาเรื่องของพระองคคลิมามากล่าวให้ฟังว่า พระองค์คลิมานนั้นท่านฆ่าคนไม่ใช่ดอกกุหลาบนะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอ่ะเก้าสิบเก้าหัวไม่ใช่เก้าสิบเก้าดอกนั่นแหละตามมั น, นั้นเนี่ยให้ผลที่เป็นที่จะทำอย่างเดียวไปที่ไหนก็บาดแตกกีวรขาเท่านั้นแหละแต่ว่าพอท่านดับขันป ร, รินิพานแล้วก็ไม่มีขันห้าพอที่จะรองรับกรรมและผลของกรรมส่วนคนอื่นที่ทําเหมือนพระองคุลิมานเย่ย บางคนไม่ต้องมากเท่าพระ อ, องค์ุริมานแล้วใช่ไหมบางคนนี่ก็ฆ่าสัตว์เนืองนิดนะเรียกว่าฆ่าสัตว์ตรัดทรัพประพฤติผิดในการหรือบางคนนี่ก็ทําร้ายผู้มีศีลมีธรรมครั้งเดียวเท่านั้นเองกรรมเหล่านั้นเนี่ยให้ผลที่ถ้าทำด้วยชดค่าไปอบายด้วยและกรรมมนั้นยังตามให้ผลอีกหลายๆชาตินะหลายๆชาติแต่ถ้าดับขันตรีนิพพานแล้วก็เป็นอันว่าจบกัน แ, แต่ถ้าหากว่าผู้ที่ยังยินดีในวิบากและกรรมชรูปยังเห็นคุณของวิบากและกรรมชรูปถ้ากรรมชรูปหมดไปเลยเนี่ยยอมไหมส่วนใหญ่ก็กลัวอุดเฉทถ้าทิถกันนะเพราะฉะนั้นมันจะให้ผลชั่วบ้างก็ไม่เป็นไรทนเอาแต่ว่า <c oughs> ติดในผลแห่งกรรมดีซะมากเออความจริงในสูตรนี้นี่นะครับอ่ามันสูตรยาวหน่อยนะฮะความจริงเหตุผลก็คือว่า อหมายความว่าขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นเนี่ยเขามีทุนนสะสมในเรื่องกุศลมาเนี่ยเป็นพื้นของจิตใจเนี่ยแตกต่างกันถ้าคนสะสมจิตที่เป็นกุศลสะสมกรรมที่เป็นกุศ ล, ลกรรมมามากเวลาเขาผิดพลาดเนี่ยนะฮะเขาไม่ต้องไปเด้เขาไม่ต้องถึงกับตกนรกเลยอะแล้วไอ้กรรมแค่นั้นเนี่ยเขาจะให้ผลในชาตินั้นน่ะเรียกว่าทิฏฐธรรมเวทนียกรรมมะครัว่า แค่ปวดศีรษะหรือว่าแค่อุบัติเห็นเล็กๆน้อยก็อันเป็นว่าใช้หมดและกรรมนั้นนแต่ว่าตรงเองข้ามบางคนเนี่ยได้มีพื้นจิตใจที่เป็นอกุศลเยอะประกอบแต่อกุศลกรรมนี่เยอะถ้าทําผิดอย่นิดเดียวเท่านั้นน่ะผ่านลงนรกได้เลยอะ่ะท่านเปรียบเหมือนบอกว่าเหมือนกับเกลือเนี่ยแหละถ้าผู้ใดเอาเกลือไปใส่น้ําในเกลือเม็ดเดียวเนี่ยนะ ไปใส่ในน้ำเนี่ยนะมันก็ไม่ค่อยรู้สึกเค็มหรอกถ้าเม็ดเดียวเนี่ยนะแก้วน้ําแก้วเบลเลอใส่ไปนิดมันไม่รู้สึกเค็มหรอกเนี่ยเนี่ยท่านถ้าเปรียบเทียบให้ฟังนะครับ เ, เรื่องกรรมนี่เป็นเรื่องเรื่องเรื่องสำคัญเลยนะครับถ้าหากว่าผู้ใดสนใจนในใ น, ในเรื่องทีทรรท่จะทำเเทียกรรมอุปชาเวทียกรรมทั้งหลายประมาณประมาณสักสิชื่อนี่นะท่านต้องทําความเข้าใจให้ดีนะเพราะว่าผมเห็นความสําคัญมากเลยเรื่องกรรมเนี่ย เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านยังไม่มีหนังสือเนี่ยวันนี้อาจารย์ปราณีส่งมาให้ผมเยอะเลยผมไปเมื่อวานนี้ครับวันนี้ท่านจะต่อด้วยเรื่องอะไรครับคงจะเรียนเรื่องกรรมต่อไปก่อนเนี่เพราะว่าเรื่องกรรมนั้นถ้าหากว่าเราชัดเจนไม่มากเราจะเจริญกุศลได้น้อยเพราะว่าเราจะไม่เห็นโทษของอกุศลเลย เพราะว่าถ้าหากว่าเราเห็นโทษของอาคุศลมากเท่าไหร่คนก็จะทำกุศลมากเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าคนที่เห็นไม่เห็นโทษของอาคุศนก็จะยินดีในอาคุศนอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าผู้ที่ยินดีในอาคุศลก็ไม่สามารถที่จะล่วงเลยทุกไปได้วันนี้ก็จะเอาข้อความในพุทธาประทานคัมภีร์อาปทาน กล่าวถึงการให้ผลที่เป็นอกุศลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตอนที่พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ยังอยู่ในในภพภูมิซึ่งผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ก็มีทั้งสภาพจิตที่ดีและชั่วดังนบางครั้งสภาพจิตของท่านก็เป็นกุศลไปแต่กุศลเนี่ยมากมายเหลือเกินทําให้ท่านเป็น จนเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยให้พระองค์เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ขนาดเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกรรมเหล่านั้นก็ไม่ลดราวาสอกอันพระองค์นั้นได้รับกรรมนับตั้งแต่ออกบวชเลยใช่ัหมปฏิบัติผิดทุกทรมานมากอยู่หกปีด้วยกันนะบวชพระพิสุเข้ามาก็ปเทวัตหาเรื่องพระองค์อย่างเดียวจนถึงกับทาลายพระโลหิตให้ห่อ ช้างนี่ก็ยังยังมาทําลายพระองค์ช้างก็คิดฆ่าพราะพุทธเจ้าก็มี น, นะนะผู้หญิงก็มาหาเรื่องก็สองคนที่มาหาเรื่องว่าพระสมณะโคดมไม่มีศีลมีธรรมรอกอันนี้ก็สองคนแล้วใกล้จะดับขันปริณิพานก็บางคนถ่ายออกมาเป็นเลือดอีกนั่นแหละแล้วก็ปวดหลังนี่ก็บ่อยแสดงทำไปปั๊บก็ปวดหลังก็ต้องเคยได้ยินนะดูก่อนสารีบุตร นะบริษัทยังไม่ง่วงเราเมื่อหลังจากพักสักหน่อยนะเธอแสดงไปเธอนั่นก็เป็นผลของกรรมนะที่เป็นทุกขากายะวิญญาณอันหนึ่งอันในพุทธาประทานปุบักกล่าวถึงเรื่องเหตุเหล่านั้นด้วยว่าพราะองค์ไปทำอะไรมาอากุศลเหล่านั้นจึงจึงให้ผลนั่นแหละแต่ว่าผลกรรมเหล่านี้เป็นอภ ร, ราระเวทนิยกรรมทั้งหมดเลย คือไม่ใช่ทธธ ร, ร่จะทำไม่ใช่ชาติที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถธรรมไม่ใช่กรรมในอดีตชาติคือสมัยเป็นเทพที่อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตไม่ใช่ชาตินั้นทำแล้วไม่ใช่เป็นชาติที่ทำสมัยเป็นพระเวสสันดรแต่กรรมในอดีตซึ่งมันยาวไกลเหล่านั้นมาให้ผลนะมาให้ผลกรรมประเภทนี้เรียกว่าอปรปราปิยเวทนียกรรม อันนั้นส่วนไฟกุศลนี่เราก็ฟังมาหลักครั้งก่อนอย่างเช่นลลักขณะสูตรใช่หไหมภาพมาหาปริยลักษณะแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็มาจากผลของกุศลทั้งนั้นเลยทีนี้มาฟังอกุศลบ้างก็บอกว่าพระองค์นั้นทาการการกระทาทุกขะกิริยาหยุดถึง6พันสาชื่อว่าทาทุกขะกิริยาคือท่านตั้งเรียงปเรียงเรื่องให้ก่อน ทำไมพระพุทธเจ้าต้องปฏิบัติผิดถึงหกปี <c oughs> เพราะอะไรนะอกุศลมีบัตร น, นะทำอะไรมาท่านเล่า ว, ว่าในการแห่งพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นพรามมานพชื่อว่าโชติปาระ โดยที่เป็นชาติพรามจึงไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนานั่นก็คือโชติปาระนี่ก็เป็นลูกของเศรษฐีผู้มีทรัพย์แล้วก็เป็นคนหัวดีมากเรียนจบตรายเพศเรียงว่ามีมณะแก่กล้า ม, มากความรู้เนี่ยสูงมากทีนี้ก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเพื่อนนี่ชื่อว่าคติการะเป็นช่างหม้อแต่เขาจนแต่ว่าเขารักมันมากเป็นเพื่อนสนิทซีเปิ้กันเลยทีนี้ หลังจากที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสาัมพุทธเจ้านี้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าคติการะช่างหม้อเนี่ยฟังธรรมแล้วบรรลุเป็นพระอนาคามีเห็นเพื่อนซึ่งมีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดมากก็อยากให้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยชวนไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้าและเ็าบอกว่าเอ้ยไปเถอะเพื่อน โชติปาละพระผู้มีพระภาคอยู่วัดตรงนั้นน่ะเข้าไปหาพราะองค์เธอการเห็นพระอรหันเนี่ยเป็นความดีนะเขาได้ฟังอย่างนั้นว่าการตรัสรู้ของสมณะโล้นเนี่ยจะมีมาแต่ที่ไหนการตรัสรู้เป็นของที่ได้โดยยากยิ่งนะนะีปากเนาะปากเจ้ากรรมเลนะคล้ายๆกับปลาเนี่ยนะเห็นเหยื่อปับเขมือบขึ้นนั่นนี้เลยนะ ด้วยแรงแห่งมานะแรงแห่งอากุศลปั๊บเนี่ยคำพูดเหล่านั้นก็พูดออกมาเลยสมณโลนนั่นนะ่ะนะการตรัสรู้ของสมณโลนนั่นจักมีมาแต่ที่ไหนการตรัสรู้เป็นของที่ได้ยากโดยยิ่งเนี่ยนะถ้าคำพูดเหล่านี้ถ้าพูดกับคนธรรมดาก็ไม่น่ามีปัญหามากมายนะแต่พูดกับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะวิบากแห่งกรรมนั้นพระโพธิสัตว์นั้นจึงได้เสวยทุก มีนรกเป็นต้นหลายร้อยชาติถัดจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแหละเขาทําชาติสงสารให้สิ้นไปด้วยกรรมที่ได้พยากรณ์ไว้นั้นนั่นแลในตอนสุดท้ายได้อัตภาพเป็นพระเวสสันดรจุติจากอัตภาพนั้นแล้วบังเกิดในพบดุสิตจุติจากพบดุสิตนั้นด้วยการอาราธนาของเหล่าเทวดาบังเกิดในสกยตสกุล เพราะยานแก่กล้าจึงละทิ้งราชสมบัติในสกลชมพูทวีปเสียแล้วตัดกรรมพระเกศาที่ปลายเสมอกันด้วยดาบที่รับไว้อย่างดีที่ฝั่งแม่น้ำอโนมานาทีคือตอนที่ออกบทนะคือเล่าพุทธประวัติโดยย่อว่าเป็นพระเวสสันดรตายจากพระเวสสันดรไปอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตจุติจากดุสิตปฏิสนธิเป็นเจ้าชายศิทธะเจ้าชายศิทธะก็ ยานแก่กล้าระดับหนึ่งอายุประมาณ2 9พรรษาก็เลยออกบวชไปที่ฝั่งแม่น้ำอโนมาาทีใช่แล้วก็รับบริขาร8อันสำเร็จด้วยฤทธิ์ซึ่งเกิดในกลีบปทุมนะในเวลาที่กลับยังตั้งอยู่นะซึ่งพระพรมนำมาให้แล้วก็บรรต์ชาคือบัตฑชาที่ฝั่งแม่น้ำอโนมาาทีทีนี้เพราะยานทัศนะ คือพระโพธิยานยังไม่แก่กล้า ก, ก่อนจึงไม่รู้จักทางและไม่ใช่ทางแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าอินทรีย์ยังไม่แก่นะเป็นผู้มีสรีระเช่นกับเปรตผู้ไม่มีเนื้อและเลือดนะวันก่อนใช่ไหมอ่าเขาบอกว่าแต่พวกเนี่ยเหมือนรอยเท้าอูดอะหลังเนี่ยเหมือนเรือนกรอนอะนะเออเสี่โครงต่างๆเนี่ยโหพร้อมเหลือแต่กระดูกหนังและเอ็น ด้วยอำนาจที่บริโภคอาหารมือเดียวคำเดียวเป็นผู้เดียวทางเดียวและนั่งผู้เดียวบำเพ็ญทุกขกรริยามหาประทานความเพียรใหญ่โดยนัยดังกล่าวแล้วในประธานสูตรนั่นแหละนะในเรื่องถ้าหากว่าผู้ที่อยากฟังเกี่ยวกับเรื่องการบำเพ็ญทุกขกรริยาของพระผู้มีพระภาคนั้นสามารถที่จะศึกษาได้หลายแห่งท่านก็ยกตัวอย่างในประธานสูตรณนะอุรุเวลาชนบทถึงพันษา ปรมานปฏิบัติผิดทางอยู่6ปีด้วยกันพระโพธิสัตว์นั้นนึกถึงทุกขะกิริยานี้ว่าไม่เป็นทางแห่งการตรัสรู้จึงกลับเสวยอาหารประนีตในคามนิคมและราชธานีมีอินทรีย์ผ่องใสมีมหาปริศลัาสนะ3 2ครบบริบูรณ์เสด็จเข้าไปยังโพธิมณฑลโดยลำดับชนะมารทั้งหได้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งตรัสว่าก็ในการนั้น เราได้เป็นพราหม์ชื่อว่าโชติปาละได้กล่าวกับพระกัสสปะสุคตเจ้าว่าการตรัสรู้ของสมณะโล้นจะมีมาแต่ไหนการตรัสรู้เป็นของได้ยากยิ่งเพราะวิบากแห่งกรรมนั้นเราจึงต้องทำทุกขะกิริยามากมายอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาถึง6ปีจากนั้นจึงได้บรรลุพระโพธิญาณนะคำพูดแค่ไม่กี่ประโยคอะนะ แต่ว่าผลเนี่ยรับมากมายแล้วทําให้ประโยคนาววิบัตใช่ไหมพออกุศล น, นั้นมันเบียดปั๊บอุปนิสัยอันนั้นทําให้คิดประโยคนาวิบัติไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดก็ไประพื่อปฏิบัติผิดถ้าไม่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้านะอุปนิสัยอันนี้จะมีอีกชาติต่อๆไปก็จะได้ไอาอุปนิสัยที่ปฏิบัติแบบทรมานอีกแต่โชคดีว่าสังสมอุปนิสัยเพื่อความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เราไม่ได้บรรลุพระโพธิญาณอันสูงสุดโดยหนทางนั้นไอ้ที่หกปีเนี่ยไม่ใช่ทางเลยเราถูกกรรมเก่าห้ามไว้จึงได้สแสวงหาโดยทางผิดนะกรรมเนี่ยบังด้วยถ้าหากว่าคนเนี่ยอกุศลมันมีกําลังจรงิจรงๆก็จะทําให้ประโยชค้าวิบัตินะมาปิดบงังทําให้ตัดสินใจที่ผิดพลาดไม่น่าตัดสินใจอย่างนั้นก็ทําให้ต้องตัดสินใจอย่างนั้นด้วยอกุศลบางอย่างนั่นแหละ พระผู้มีพระประวัติที่องค์ก่อนๆนี่ไม่จําเป็นจะต้องบำเพ็ญทุกกรณีย์ทุกกะกริยาอย่างนี้ใช่ไมไม่ไม่ต้อง ไ, ไม่ต้องใช่ไหมฮะโดยมากแล้วมีองค์เดียวะที่บวชนานที่สุดที่ปฏิบัติผิดแล้วรุนแรงขนาดนี้มีพระผู้มีพระภาคของเราองค์เดียวส่วนที่เหลือเนี่ยบวชไม่กี่วันบางองค์ก็ไม่กี่เดือนก็บรรลุแล้วไม่ต้องมามากมายขนาดนี้เพราะว่าบําเพ็ญบารมีมาเป็นเปี่ยมแล้วนะ คือเพราะไม่เคยด่าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆแบบนี้ไหมอันองค์นี้พิเศษไหมคือบุญกับํารอะทํากเป็นที่เหมือนกันทําแบบที่ใครคิดตามไม่ถูกว่าทําได้ยังไงแต่ปากก็น้าดูกันแสดงว่าเรื่องกรรมเรื่องความยุติธรรมมากๆกเลยเพราะนั้นก็ระวังปากหน่อยเนาะใช่ไหมว่า อ, อะไรจะซื่อสัตย์เท่าเจตนาเนยะเจตนานี่ซื่อสัตย์ที่สุดเลยนะี คิดดูขนาดนี้จากครูวิญญาณยังเป็นผลของเจตนาเลยนะจิตขึ้นสู่วิถีแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่ก็เป็นผลของเจตนาเพราะผวังคจิตก่อนที่จะรับนี่ก็เป็นผลของเจตนาถ้าลองเจตนาในอดีต ถ, ถูกเบียดเบียนดูสิเราคิดว่าเอ้ยไม่น่าว่าไอ้พลัสสายไฟยเนี่ยนะว่าไอ้แรงไฟฟ้าที่ส่งออกมาเนี่ยไม่น่าจะมีผลแต่เรามองไม่เห็นใช่ไหมแต่ว่าไอ้ความสว่างอันนี้ก็มาจากส่วนหนึ่งก็มาจากของกามกลา่าวถ้าลองทางล น, นไฟไฟดับดูดิ นะสายขาดดูสิเสร็จเลยดงั้นกรรมที่เราทําไว้ในอดีตก็เหมือนกันที่มาให้ผลเนี่ยงั้นถ้ากรรมบางอย่างเนี่ยนะมาตัดรอนนะนั่งฟังธรรมก็จุติได้ใช่ไหมนั่งฟังธรรมก็ชักได้ตนธนาธรรมก็ก็พระบางองค์เนี่ยแตแดงธรรมก็ตายก็มีนะนะบางองค์เนี่ยนะกำลังพูดธรรมะอยู่นะเส้นเลือดแตกเลย นันมีอถ้าอากุศลมันให้ผลเนี่ยอย่าไปคิดว่าจะอยู่ที่ไหนจะพ้นเนี่ยขนาดในธรรมบทเนี่ยท่านกล่าวว่าขนาดอยู่ในซอกเขาเนี่ยอากุศลยังเบียดเลยอยู่ในซอกเขาอยู่ในถ้ำะนะหินยังเอาไปปิดเลยหินเนี่ยไปปิดอดข้าวอยู่ตั้งเจ็ดวันะนะพอวันที่เจ็ดเนี่ยหินตั้งกลิง้งกลิ้งออกมาเองได้แนะค่ ด, ดูอากุศลมันมันจะให้ผลเนี่ยมันง่ายๆแป๊บเดียวเองไม่น่าเป็นมันก็เป็นอะ่ะ ถ้าหากว่าคนที่สูงอายุนะมีประสบการณ์ชีวิตค่อนข้างมากนะจะได้เห็นเหตุการณ์ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปแล้วอะ่ะจะทํำยังไงได้ไอ้คนหนึ่งนน้นน่าตายมากไม่ตายสักทพียงละไอ้คนหนึ่งไม่น่าตายเลยนะอ้าวไปเรียบร้อยแล้วผมตกต้นไม้คิดดูทีตกจากยอดเนะ่ะก่อนจะถึงดินนะ่ะเท้าหนึ่งเท้าหนึ่งเนี่ยไปเสียบอยู่กับง่ามไม้พอดีเลยอะแล้วไม่ตกอะคิดดูแล้วกันน่ะ เนี่ยงัดไม่ออกเลยอะ่ะคนขึ้นไปช่วยดึงจะดึงออกอะ่ะมันตกลงมาเกือบจะถึงดีแล้วนะชึกใช่ไหมง่ามมาอย่างงี้ใช่ไหมตัววีอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเท้าผมอย่างงี้ใช่ไหมก็ไปสวมพอดีเลยอะ่ะเลยรอดตายก็มันหนึ่งในร้ออ่ะนะหนึ่งในเท่าไหรไม่รู้ที่ที่ที่เท้าไปถูกง่าไมไว้พอดีอ่ะน ะ, ะทีนี้พระ อ, องค์กล่าวต่อไปว่าเรามีบุญและบาปสิ้นไปหมดแล้วเว้นจากความเร่าร้อนทั้งปวง ไม่มีความโศกไม่มีความคับแค้นไม่มีอาสาวะจักปรินิพานแหละตอนนี้พระองค์ก็กรรมันนั้นเนี่ยจะจบสิ้นทันทีแล้วเพราะว่าพระองค์นี้ลอยบุญละบาปเรียบร้อยแล้วนะถ้าหากว่าจุติจิตของพระองค์ดับปับ๊บก็เหมือนกับคนได้รับค่าจ้างแล้วละ่ะสำหรับพระอรหรนันต์นะสำหรับปุถุชนนี่ก็นิมิตก่อนจะจุตินี่เป็นอะไรก็คิดคิดเอากันแล้วกัน อเรียกว่าเศษของกรรมนะที่ว่าได้รับอย่างนั้นเนี่ยเป็นเศษของกรรมนะแล้วผมเป็นคนที่กลัวความสูงนะแปลกที่สุดเลยผมกลัวความสูงนะแล้วผมผมตอนเป็นทหารเราไปโดดร่มโดดร่มเนี่ยผมกลัวมากเลยแต่ก็ผ่านมานะแล้วเวลาฝันทีไรนะฝันว่าตกจากที่สูงทุกครั้งเลยไม่รู้ทํากรรมอะไรไว้ครับ <c oughs> โอ้ยมันสียวสยดสยองมากเลยมันจะตกไม่ตกแล้วโอยตรกไม่ตกแลเนี่ยเวลาฝันร้ายนี่นะ ผมมาเสียวมากเลยครับ